ทำอย่างไรจะเปลี่ยนคนใกล้ตัวให้ดีขึ้นถามสามีเป็นคนกิเลสหนาะชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัวมองไม่เห็นคุณและโทษตามจริงเห็นใครทําบุญก็ชอบขัดขวางอัดตาแรงชอบข่มผู้อื่นอยากให้เขากลับใจมาฝักใฝ่ธรรมะอย่างเราบ้างจะมีอุบายวิธีแก้นิสัยบ้างไหม ผมขออนุญาตแปลงคำถามใหม่ให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนขึ้นนะครับคุณกำลังถามว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเปลี่ยนชีวิตสามีให้เป็นตรงข้ามได้เมื่อเห็นโจทย์ให้ชัดเจนซะอย่างนี้ก็จะพอรู้ว่าต้องลงทุนลงแรงกันประมาณใดการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตหรืออีกในหนึ่งคือการพลิกความรู้สึกนึกคิดของใครคนหนึ่ง ให้เป็นตรงข้ามกับที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นลองตรองดูนะครับว่าจะมีสิ่งใดยากเย็นเท่านี้ได้อีกคุณกำลังทำในสิ่งที่ท้าทายที่สุดยากเย็นที่สุดแล้วลองนึกดูว่าชั่วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมากี่ครั้งชนิดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับถ้าหากว่าเคยมีประสบการณ์เปลี่ยนแปลงชนิดพลิกคว่ำขมา ม, ม ง, งายมาก่อน ขอให้ลองถามตัวเองว่าคุณต้องพบเจอแรงบันดาลใจที่ทรงอิทธิพลเพียงใดจึงสามารถแปลคุณไปได้มากขนาดนั้นแน่นอนว่าคงไม่ใช่การชักชวนเล่นๆง่ายๆเหมือนใครชวนเราดูทีวีหรือตีปิงปองเป็นแน่บางคนบอกว่าไม่ต้องมีใครชักชวนก็ชอบธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะที่บ้านมีบรรยากาศธรรมะธรรมโออยู่แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้มองว่าฐานชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าพ่อแม่เริ่มพูดเรื่องธรรมะให้ลูกๆฟังมาตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็ถือว่าลูกๆนั้นได้รับผลกรรมอันดีที่มีมาแต่ชาติปางก่อนแล้วแค่เกิดมายังไม่ทันต้องขวนขวายใดๆธรรมะก็เข้าหล่อหลอมจิตใจ ให้กลายเป็นคนดีมีศีลสัตว์เสียแล้วใครมีชีวิตแบบไหนก็จะรู้สึกว่าชีวิตแบบนั้นเป็นของง่ายเห็นตัวเองอยู่บนเส้นทางที่เคยคุ้นเป็นอันดีแต่จะรู้สึกฝืนหรือเกิดแรงต้านในทันทีที่ถูกตล่อมให้เปลี่ยนเส้นทางเป็นอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่ขนานกันราวกับไม่มีวันหาจุดตัดจุดข้ามได้เลย หากคุณประสงค์จะให้เขาข้ามมาก่อนอื่นต้องใช้ประโยชน์จากความเป็นคนใกล้ชิดกับเขาให้เต็มที่นั่นคือทำตัวเป็นสะพานเชื่อมทางขนานที่ข้ามยากนั้นให้กับเขาครับหากคนใกล้ตัวที่สุดเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สุดการเปลี่ยนแปลงเป็นตรงข้ามก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้จริง